สาธุต่อไปนี้ข้าพระเจ้าจะนั่งภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพร ะ, รรพระอริยสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้กิจของข้าพระเจ้าทรงเยือกเย็นเป็นสมาธิ รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกข์การเทิดโหตโธธโมสังโฆโหตโธธโมสังโฆโุตโธธโมสังโฆนั่งได้ท่าแล้วก็กําหนดสติ เอาสติไปตั้งไว้ที่ปลายจมูกนะจะ ง, งอยปากกำหนดรูล ม, ม, มเขา้าก็ให้เห็นว่าเข้าชัดๆเข้ายาวออกยาวก็เห็นชัดๆออกจนมันสุดน่ะ น, นะมเห็นชัดๆบาง คนบางท่านท่านกําหนดดูจนลมสุดเป็นนาทีแล้วนี่ไม่เห็นมันสุดจริงๆแล้วก็มาเริ่มเห็นต้นลมไหม่เข้าไหมกลางลมดูเข้าไปปัดออกมา มาเห็นลมสุดปลายลมสุดเราอยามองเห็นตรงมันสุดนี่มันจะว่างนะลมดับลงท่านเห็นเกิดเห็นดับนลมดับลงถ้าจะไม่เห็นลมดับก็ยังไม่เห็นปลายจมูก ตรงปลายจมูกตรงปลายลมสุดเรียวกว่าปลายจมูกให้เห็นทุกครั้งเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเราจะสงบง่า ย, ายนี่นะถ้าเห็นทุกครั้งแต่ไม่ค่อยเห็ น, นก็ไม่สงบแล้วเห็นวับวั บ, บแบมบแบมบ เข้าไปก็แล้วแต่จะเข้าไปไม่สนใจออกมาก็แล้วแต่จะออกไม่รู้มันสุดหรือไม่สุดเรามันจึงไม่ได้สมาธิก็เพราะเป็นอย่างนี้นะเข้าก็เห็นชัดๆเข้ายาวก็รู้ชัดๆ ว่าเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดๆว่าออกยาวเราจะเห็นลมหายใจมันหมุนต้นลมหมุนเข้าไปเป็นกลางลมออกมาก็เป็นปลายลมสุดตายเกิดเข้าไป ก็เห็นเกิดออกมาก็เห็นตายหมุนกันอยู่อย่างนี้ท่านจึงตั้งชื่อว่าวินวินมันหมุนลมหายใจนั่นนะมันหมุนเข้าแล้วก็ออกแล้วก็หมุนเข้าไป แล้วก็ออกมาต้นลมกลางลมปลายลมมาเริ่มต้นลมกลางลมปลายลมหมุนอยู่อย่างนี้ยังเรียกว่าวินนะวินภาษาละตินหรือภาษาบาลีเรียกว่าวินหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าวินวินคือหมุน อะไรหมุนก็ลมหมุนนี่แหละลมมันหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออ ก, ออกเกิดดับเกิดดับจึงว่าวินในลมนั้นก็มีตัวยานตัวผู้รู้อยู่ในลมก็เรียกว่ายานสมัยพุทธกาลท่านจึงเรียกลมหายใจว่าวินยานต้องเข้าใจจุดนี้ด้วย วิญญาณ น, นี่ก็คือจิตคือใจของเราวิญญาณ น, นี่ก็คือตัวของเราหรือจนมองในแง่หนึ่งวินคือลมลมนี่ก็คือกายในของเราเห็นกายจะ่ของไหมกายในกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยาบก็เห็นกาย ในกายกายลมนะคือกายละเอียดท่านจะเรียกว่ารูปรูปธรรมรูปคือธรรมชาติ ส่วนตัวจิตอยู่ในลมก็เรียกว่านธรทมเห็นไหมล่ะเกิดลูกทมนาธรทมจะเรียกว่าคันห้าได้ไหมนี่จึงตัดสลูที่นี่ตัดสลูที่ลมหายใจ ท่านไม่บอกไว้าตัดสู้ด้วยท่านจึงบอกตัดสู้ด้วยตนเองตนเองก็คือเราเราก็คือผู้รู้ผู้รู้ก็คือใจใจก็คือลูกกับน้ําลูกกับน้ําก็คือขันห้าขันห้าก็คือวิญญาณ ไหลไปอะไรก็ถูกหมดตัดสู้ด้วยตนเองตัดสู้ที่ตนเองตนเองก็คือเราเราก็คือผู้รู้นี่แหละผู้รู้ก็คือใจใจก็คือลมหายใจใจก็คือขั้นห้า ใจก็ลมให้ใจก็คือลูกกับน้ําลมให้ใจก็คือวิญญาณต้องเข้าใจอย่างนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ลมให้ใจนี่นะคือกายกับใจคือขั้นหาดูในแง่หนึ่งลมให้ใจยกขึ้นสู่ใจลัาน มันเข้าแล้วก็ออกนี่ยกขึ้นใส่ยกขึ้นสู่ไดรลักยานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอื <c oughs> <c oughs> มันเกิดมันดับนี่เลยจึงเรียกว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงมันเข้ามันออกแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าทุกขังมันเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคล ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครจึงเรียกว่าอนัตตาเราก็จะเห็นลมหายใจเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเห็นอยู่อย่างนี้ย่าให้นหนีไปไหนดูอยู่อย่างนี้จนมันเบื่อแม เกิดตายเกิดตายอยู่นี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเข้าหมุนออกอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นอย่างนี้ไปทําอะไรอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้วิญญาณหรือขันห่านมันทํางานอยู่อย่างนี้มันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ ดูไปดูมาก็จะเกิดเห็นลมหายใจเบาลงเบาลงเรียกว่ากายและหูนั่นลมหายใจเบาลงเรียกว่ากายและหูเมื่อกายและหูจิตก็คือความนึกคิด ก็ละหุเบาลงเหมือนกันดนะูไปดูมากายก็ลำงับทำกายสังขารให้ลำงับกายก็ลำงับดับลงตัวจิตก็ลำงับดับลงท่านจึงเรียกว่าปัจสัตธิกายลำงับจิตลำงับ จิตของเราก็จะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิลมหายกายไม่มีเราก็ดับขันห้าได้โดยปริยายโดยดับลมหายใจลมหายใจแล้งับดับลมรูปรมนามธรรมก็ดับเราก็ได้เจโตโิมดุด หลุดพ้นจากขันหาตอนสมาธิขม่มไว้ชาญขม่มไว้มันไม่ได้ยากดอกแต่ตัวศรัทธาเราไม่พอศรัทธาเรามันน้อยถ้าศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยอนาปานสติจริงๆ ท่านก็มีรูปนามคันหามีกายมีลมหายใจคือกันเราก็ต้องมีความเพียรขึ้นมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นนี่ศรัทธานี่มันน้อยศรัทธาปุยนุ่น เบาเหมือนปุ๋ยนุ่นเชื่ออยู่แต่เชื่อนิดนิ ด, น, ดน้อยน้อยเชื่อสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์ซนมันจะไปได้อะไรละ่ะถ้าเชื่อแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์หมดวิทยะ มันจะไปไหนวิริยาความเพียรของเราก็เต็มร้อยถ้าความเพียรเต็มร้อยเรามันจะอยู่ไหนสมาธิมันจะไปไหนรอดเกตโตวิมุตต์ก็ต้องเห็นในคืนนี้ในวันนี้ ในชั่วโมงนี้ถ้าตัวศรัทธาแก่ก้าวิริยะก็ตามมาสติก็แก่ก้าสมาธิก็เกิดปัญญาก็มีขึ้นมาเท่านั้นมันไม่แก่ก้า เนื่องจากว่าจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจเวลาเรามานั่งภาวนาเราก็จับโอ้ลมสติจับอามถ้าจับอารมก็ได้จิต ด, ด้วยเพราะว่าจิตมีอยู่ในลมนั่น มันบังอยู่ในลมนั่นมันซ่อนอยู่ในลมนั่นจับอารมณ์ก็ได้จิตเมื่อจิตมันถูกจับแต่ก่อนมันไปตามอำเภอจิตอำเภอใจมันจะคิดไปไหนมันก็คิดไปตะเลิดเปิดเปิงไปจิตตะเลิด ไม่เกิดสมาธิพอเราเริ่มมาจับลมใหม่ก็เรียก ม, มาจับจิตใหม่เหมือนกับลูกกับล้านหรือเหมือนกับสัตว์เหมือนกับมมาเป็ดไก่เราจับมาผูกไว้เออลิงข้างอยู่ในป่า จับมาผูกไว้มันจะเป็นยังไงฮมันจะพอใจไหมมันก็ต้องดิ้นหาวิธีจะให้มันหลุดออก่านได้กิจเราก็เหมือนกันเมื่อผูกผูกผูกจับมันก็ต้องดิ้นดิ้นล้นกับกรอกปอกปิ้น าวิธีจะออกหนีให้มันหลุดให้มันวางออกหนีวิ่งออกหนีแยบออกหนีให้ได้แยบออกไปไม่ได้หนีไม่ได้สติคุมเอาไว้ผูกเอาไว้มันจึงสําแดงแปลงเพศจิตสําแดงแปลงเพศ ท่านเรียกว่ามายามายาเือเคยเห็นไหนกลมานยามานยากลิจก็เล่นกลให้เราดูแล้วมายาเดี๋ยวก็ปวดขาเออปวดขาหนักๆนัก ปวดแข็งปวดขาเกิดขึ้นเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากเป็นอันนี่ความอยากนี่เรียกว่ากิเลสแปลงเป็นกิเลสขึ้นมาปลอมแปลงเป็นความอยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้อยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกว่า กิเลสมานมานก็คือมายานี่แหละมายาคือเกิยรเสแส้งแปลงปลอมขึ้นมาเป็นกิยปอมแล้วอยากเรียกว่ากิเลสมานนี่นั่งไปนั่งมากระปวดแข้งปวดขาเหมือนนั่งอยู่ในหม้อนรกหมอ้อน้ำร้อนเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟน่ะสู้ไปสู้กันมา เวทนาใหญ่เกิดขึ้นนี่ละมานเกิดขึ้นแน่นหน้าอกปวดเสียนเวียนเก่าแต่ไม่นั่งไม่เป็นไรนี่เลยกิจถูกจับมันดิ้นล้นกับเกอกปอกปิ้นเรียกว่ามายาสาไถ บอมแปลงเป็นปวดขาคันหน้าคันหลังเหมือนมีมดมีไรจะไตาเข้าหูเข้าจมูกมันทำได้ทุกอย่างกับกรอปอกเปิ้นดิ่นลนกับกรอ ก, รอ ก, ก, ก, รอกเสแส้งแกร่งทำอยู่อย่างนี้เรียกว่ามายาเราไม่รู้มายาของกิต มันอยากให้เราวางเอาสติวางให้มันออกไปหาอารมณ์เที่ยวข้างนอกตามสบายเหมือนเตือเก่ามันไปไม่ได้ก็เลยเสียแส่งปลอมแปลงขึ้นนี่เขาเรียกว่ามายาหรือมานไม่นั่นก็เกิดถ้าไม่ปวดแข้งปวดขาก็ คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องตั้งแต่อดีตจะเกิดใหม่ๆจาได้ก่อไหลออกมาเรื่องอนาคตบัางคิดกลับไปกลับมาท่านก็เรียกว่าอภิสังขารมานขันธมารปวดแข้งปวดาขาคันหน้าขันหลังแน่นหน้าอกเก็บท้องปวดหัวนี่ เรียกว่าขันธมารความคิดแตกพากพักเกิดขึ้นก็นเรียกว่าอภิสังขารมานันนี่ถ้าตรงนี้มันเอาเราไม่อยู่เราเอาเอาลสู้เราไม่ได้สติสู้สติไม่ได้มันก็ปลอมแปลงเป็นแสงโอภาสัอาภาโสสว่างสวัยผ่องใส เราก็หลงว่าเออเราเห็นธรรมเห็นความสว่างเห็นแสงธรรมแสงทองเป็นสายลู่เป็นสีนั่นสีนี้ขึ้นมามันก็ล่อเอาจิตเราออกจากลมให้ใจออกจากสมาที่ไปรู้อยู่กับมันไปเสพอยู่กับมันจากแสงต่างๆแล้วมันก็จะ นานเข้ามันก็นชายอ่าชายฉายออกมาเป็นภาพภาพนั่นภาพนี้ภาพพระพุทธเจ้าภาพพระพุทธลูกภาพปราสาทตร์ราชสวังภาพเทวบุตรเทวดาภาพอะไรแล้วแต่มันจะ เสแสงปลอมแปลงขึ้นมาคนภาวนาใหม่ๆก็นึกว่าเราเห็นเปตเห็นผีเห็นเทวดาเห็นปราศาทตรเห็นแสงทองแสงธรรมก็เอาจิตออกหนีจากใจลมหายใจไปเสฟกับมนัน หรือไม่อย่างนั้นมันปวดแข้งปวดขาไปนะั่นมันวุ่นวายขึ้นมาอันเมื่อกี้เนี่เขาเรียกว่าเทวบุตรมานแปลงเป็นเทวบุตรแปลงเป็นเทวดาแปลงเป็นปราสัตวแปลงเป็นร้อยคนพันคนแปลงเป็นคนเดียวย่อมาเรียกว่ามายาอภิสังขารมาน เทวบุตรมานเนี่ยนะเทวบุตรมานต่อมามันก็จะหาวิธีไม่ได้มันก็ชวนเราออกจากสมาธิเอาเอละละละพอพ อ, พอแล้วพอแล้วว่างกันนะินมันนานแล้วมันไม่เกิดอะไรดอกมันหมดแล้วมรรคผลนี่พานอ่ะไม่มีดอก อย่าไปเชื่อหมดการหมดสมัยแล้วไม่เห็นรอกไม่มีรอกชวนเราออกจากสมาธิท่านเรียกว่ามัจจุมนเราก็ตายจากการประพฤติปฏิบัติลงไปแบกหมอน เหมือนกิเลสสั่งแบกมอนพุน่งนี้ทีสองทีสามลุกขึ้นมาทำไม่ก็ได้มันบอกเรายังไม่หมดเวลาดอกพุ่งนี้ยังมีอยู่วันนี้เอาพักก่อนหยุดซะก่อนนั่นน่ะเคยเป็นไหมอะอย่างนี้ฮะ อิเยตมัจจุมานตายจากมรรคผลนิพพานตายจากบุญจากกุศลตายจากคุณงามความดีขันเหลมัจจุมานตายจากมรรคผลนิพพานแล้วไปนอนแบกหมอนนี่มานหรือมายากิจเสแสง ปลอมแปลงขึ้นมาหลอกเราถ้ามันหลอกเราอย่างนี้กิเลสก็ เ, เรียกว่ า, อ, าอืมนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าภาวนาแบบหมูขึ้นเฉียงเคยได้ยินไหมล่ะหมูขึ้นเฉียงฮะ มันล่อเอาจิตเราออกดนีจากลมหายใจล่อออกนี้จากฐานสมาธิไปขึ้นเขียงฟักลาบเหมือนกับหมูเขาเหมือนกับเขาลาบหมูลาบเป็ดลาบไกล่ลาบปักปๆกปัก ป, ป, ป, ป, ปใสเข้าขั่ ว, ห, วหอมลงไปเอามากินเฉยนิ่นอ่ะมันมันเก่งไหมล่ะฮะ ให้มันบังคับได้มันหลอกเอาจิตเรามารองเอามาเสพอยู่กับมันท่นจึงว่าหมูขึ้นเขียงมีไหมล่ะหมูพวกนี้ฮะนั่งอยู่เนี่ยหมูขาวๆดำๆนี่มีไหมเนี่ ย, ยฮให้กิเลสหมูเหลืองๆก็มีให้กิเลสเอาไปขึ้นเขียงฟัก ลาบกินนี่แหละท่านเรียกว่าอาเสวนาจะพาลานังพระผู้องค์ตัดเอาไว้มงคลข้อแรกมงคลสามสิบแปดคงเคยได้ยิน นีมนพระไปท่านจะไปสวดอเสวนาจะพาลนานังมันติตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนี้ท่านก็ว่าไปตามคําสวดพระก็ไม่รู้ดอกสวดพอร่อกินข้าวต้มขนมล่อเอาไข่เอาเงินเราเฉยเฉยไม่รู้ว่าอาเสวนาจะพาลนานังมันคืออะไร เอตัมังฆราุณตัมังถ้าไม่ไปเสียบกับมันเป็นมงคลอันประเสริฐเอตัมมังฆราุณตัมมังไม่เอากิตไปเสียบกับความโลภความโกรธความหลงความอยากไม่เอาจิตไปเสียบกับขันธมาร กิเลสมันขันธมันไม่เอาให้เอาจิตไปเสพกับอภิสังข า, มารมันเทวบุตรมันมัจจุมันเราเมื่อมันมาเสแสร้งปลอมแปลงขึ้นมาหลอกเรามันเล่นกล ม, มายามายาสาไถกิตของเรา ก็มีกิเลสเกิดขึ้นข่าสึกเกิดขึ้นมันมาลบ ก, กับเราถ้าเราไม่สู้กับมันก็แพ้ <c oughs> แพ้มันก็ออกจากสมาธิไปนอนแบกหมอนโกนโทอทออ่า นั่นล่ละมันมาเอาพองดอกไม้มาหลอกเราออกหนีถ้ามันเกิดขึ้นมาต้องสู้กับมันลบกับมันลบให้ชนะสู้กับมันให้ได้สมัย พระพุทธองค์ทําก็มีเหมือนกันมานพวกนี้เสนามานันกิเลสมนันขันธมนันอภิสังขารมานันเทวบุตรมนันมีหมดมัจจุมัมนมันก็ชวนพระพุทธองค์หยุดเอาคว่าว่าน่ยจนพระพุทธองค์เอามือเอาออกจากกันเอาพระหัตถ์ออกจากกัน แต่ก่อนบางทับกันอยู่เราก็จะเป็นเหมือนกันนั่นแหละมานบีบบังคับเอามือออกจากกันจันเอาพัะหัดมาวางไว้ที่พระชงที่หัวเขาั น, นสะดุ้งมานพระพุทธรูปปางนั้นท่านเขียนว่าปางสะดุ้งมานเนี่ย เดี๋ยวเราก็สะดุ้งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกนะโอ้มันมาลบมันเสแส้งแปลงปลอมแปลงหลอกล่อมายากลจนเราเอามือออกมาวางออกหนีว่าจะหยุดพระพุองค์ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาไหม ทำกิจให้นักแน่นเหมือนพื้นแผ่นธรณีจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดถึงแม้เลือดจะเหือดหนังจะแห้งถ้าไม่ตัดสรูเราจะไม่รู้ออกจากที่เป็นเด็ดขาดแน่นี่นะอันนี้เรียกว่าบาลมีบาลมีบาล ม, ามีสิบทัด เมื่อพระพุท อ, องค์ทำกิตให้หนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นธรณีไม่ขยับเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดก็เรียกว่าพระองค์ตั้งสัจจะบารมีวิริยะบาลมีขันติบารมีจะเกิดขันติบารมี วิริยะบาลมีอดเพียนคุมกิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ให้มันออกนี้ไปไหนเพียนนั่งอยู่ก็เรียกว่าวิริยะบาลมีอดทนอดกัน้นไม่ขยับขยเยื่อนเคลื่อนที่ก็ขันติเคยได้ยินไห้ล่ะขันติอ่ะขันติบาลมี ฮันตินี่เลยจะเป็นตบะตะโปจะตะโปแปลว่าตะบะเผากิเลสเผามันให้ตายกองทับมานก็สู้พระพุทธองค์ไม่ได้สู้บารมีพระพุทธองค์ไม่ได้เราไปอ่านเจอในพระไตรปิฎก เราเน้นว่าบารมีตั้งแต่ชาติโน้นที่ผ่านมาที่ไหนได้ก็บารมีขณะนั่งสมาธิอยู่นี่เองอือทานบารมีพระพุทธองค์นั่งกำหนดสติ จับอามหายใจจาคะขันห้าสละขันห้าทานขันห้าออกกิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิทานบาลมีศีลบาลมีศีลของพระองค์ก็เป็นอธิศีลขึ้นมาเน่คัมมะบามีก็ออกนี้ปัญญาบาลมีก็ เอาปัญญาเอาความรู้ความฉลาดมาสู้กับมารสู้กับกิเลสวิริยะบารมีก็นั่งอยู่นี่แหละตั้งสติเพียนคุมกิตให้มาและลึกรู้อยู่ในลมหายใจเท่านั้น ไม่ให้ออกนี้อยากลมหายใจไม่ให้ไปเสพกับมนันอะไรจะเกิดจะตายก็ช่างมันบวดแช่งบวดคาขันหน้าขันหลังเกิดขึ้นก็ขันติอดทนอดกันนี่ มันเสีนามันเอาไปมันความคิดอันนั้นนนี้คิดจะหยุดคิดจะไปคิดจะมาคิดวุ่นไว้ขึ้นมาเรียกว่าอภิสังขารมันต่อไปมันก็พระยามันก็ให้ที่ดามา หลอกล่อปลอมแปลงเป็นนางฟ้าเทวดาลงมานางอรดีนางลาขะนางตันหานางอรดีมาฟอ้อนมาลำเปือยกายให้พระพุทธองค์ดูให้พระพองค์ออกจากสมาธิไปดู ก็ไม่สำเร็จสู้บารมีไม่ได้ขันติวิริยะบารมีขันติบาร ม, ตารมีตั้งสัจจะขึ้นไม่ขยับเขยื่อนเคลื่อนที่ทำกินให้หนักแน่นตั้งจิตอธิษฐานน่ะะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเกิดขึ้น มันทั้งหลายก็สู้บาลมีของพระพุทธองค์ไม่ได้แตกกระจุยนี้หมดเรามีไหมล่ะบาลมีฮะขันติมีไหมล่ะยึดยึกยึกยึกจักยึกจั ก, กมันจะตายจีฮะ วิริยะเพียนฝึกสติคุ้มกิจไม่รู้อยู่ลมหายใจอย่างเดียวจนลมหายใจไม่มีนะปวดแช่งปวดขาใช้คันติมาลบกัมมันตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานขึ้นมาก็จะเกิดเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีไปถึงอุเบกขาบาลมีกิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รู้เฉยเป็นธรรมชาติอยู่ ก็เห็นพระนิพพานเมื่อผู้ใดเห็นจิตเป็นอุเบกขามัชฌิมปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลาง<ม>คือรู้รู้อยู่เฉยๆแตไม่ยินดีไม่ยินลายจิตก็เป็นกลางเป็นธรรมชาติเป็นกลางๆอยู่ไม่ยินดีไม่ยินลายก็เรียกว่าอุเบกขา ตายเห็นลูกก็อุเบกขาหูได้ยินเสียงก็อุเบกขาทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดียินร้ายด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาด้วยวิรยิยะด้วยขันติเราก็พบกับอุเบกขาถึงอุเบกขาบารามี บารมีก็ครบสามสิบทัดก็ได้เป็นก็เห็นพระนิพาน์ได้เจโตวิมุตตขึ้นมาก็หลุดพ้นจากขั้นห้าเห็นอารมณ์พระนิพาน์ขึ้นลูลูลูเฉยนั่นนะเห็นกิจเป็นธรรมชาติว่างสว่างพองใส อยากเห็นไหมล่ะฮะสร้างบารมีให้มันได้ให้มันถึงบารมีทั้งหลายก็มารวมอยู่ในสมาธินี่แหละขันติก็อยู่ที่นี่วิริยะก็อยู่ที่นี่ อยู่ที่ลมหายใจนี่นะพีเ็นสติคุ้มจิตมาลู้ลมหายใจก็เรียกว่าวิริยะบารมีท่านหรือเรียกว่าวิริยะสัมโพชงท่านเอาสติตั้งมันเอาสติตั้งไว้เอาสติมากำหนดรูลมเข้าลมออก เอาสติมาวิจาร์วิจัยดูลมเข้าลมออกก็เรียกว่าสติสัมโพชงเมือ่อเอาสติมาเพียนและลึกรู้ทำบทใดบทหนึง่งคือลมให้ใยเข้าออก ก็าเรียกว่าธรรมะวิจยะสัมโพชงลมเข้ายาวเป็นยังไงเห็นไหมล่ะต้นลมไปลลมออกยาวเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไงออกสั้นเป็นยังไงนี่ วิตกวิจัยวิจารณ์ดูอย่างนี้วิจัยดูอย่างนี้ลมเบาไปยังไงลมหนักไปยังไงวิจัยดูก็ธรรมะวิจยะสัมโพชงเราได้เจริญแล้วเท่านี้ได้ทำแล้วเนี่ย มันไม่ได้อยู่ไหนเพียนฝึกติมาวิตกวิจารวิจัจดูลมเข้าลมออกอย่นี้ก็เรียกว่าวิริยะบารมีขันติบารมีมันก็ไม่อยู่ไหนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละปิติก็เกิดขึ้นสุข เกิดขึ้นกิจก็กายก็ระ ง, งับกิตก็ระ ง, งับเรียกว่าปัจสถานวิริยมปีติปัจสัาธิเมื่อความเพียรถึงวิริยะพอความเพียรพอปีติก็เกิดขึ้นเมื่อปีติเกิดกิจลมให้ใจก็ ดับลงกายละงับจิตระงับก็เรียกว่าปัจสัตธิเมื่อลมให้ใจระงับดับลงจิตระงับดับลงก็คันห้าดับจิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันไม่อยู่ไกลอะไรจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาถหางจิตตั้งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รูู้เฉยอยู่ เราก็จะเห็นอุเบกขาสัมโพชงเกิดขึ้นอุเบกขาก็คือเฉยนั่นแหละจิตตั้งมั่นเป็นผู้รูู้อยู่เฉยๆมีอารมณ์สองอุเบกขาเอกคัดอารมณ์ก็แสดงว่าเราได้อุเบกขาสัมโพชงโพชงจิตบริบูรณ์ขึ้น อยู่ในสมาธินี่แหละจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ได้อุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาเอกิดคดตาลมเกิดขึ้นก็ได้จดตุชชานชานสีอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิขึ้นมเมื่อได้นี่แล้วก็ จิตจะหลุดพ้นจากขันห้าในสมาธินี่แหละเราจะเห็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิลมหายกายไม่มีขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่ธรรมชาติว่างครอบโลกอยู่ เป็นหนึ่งเดียวอยู่เท่านี้ลาบมือนหน้ากลองใช้เห็นในสมาธินี่แหละเดี๋ยวไ่เห็นที่ไหนสัตบุคคลตัวตนไม่มีนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิแต่กวนจิตไม่สงบ กิจมาอุปทานเอาคันห้าอยู่ก็ถือว่าคันห้านี่แหละเป็นเราเป็นเขาอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่เมื่อกิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิกายละงับกิตละงับขันห้าดับลงได้เจโต ว, วิมุติขึ้นมาไม่มี ขันห้าไม่มีจิตใาชะออกจากขันห้าสละกขันห้าออกก็เรียกว่าปรมัตถทานทานอันยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าปรมัตถทานเมื่อจิตใจฆะขันห้าสละกขันห้าออกลมหายกายไม่มีขันห้าก็ดับไดเจโตวิมุต กิจสลดขันห่าท่านก็มาเรียกตรงนี้แหละเรียกว่าทานบารมีปรมิตทานสมัยพระพุทธองค์เสเวยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ปราถนาะนิพันสร้างบารมีมาอยู่ตลอดทานบารมีจนสุดท้าย เป็นพระเวสสันดรไทยเคยอ่านท่านจะทานช้างทานม้าทานทรัพย์สมบัติในท้องพระขังหมดหวังจะเข้าสู่พระนิพพา น, านก็ไม่ได้ทาน กันหาชาลีไปก็ไม่ได้ทานพระนางมัทสีไปก็ไม่ได้นั่นน่ะยังไม่ถึงปรมตัตถทานเมื่อพระองค์มานั่งสมาธิกำหนดสติดับขันห้าได้ได้เกตโตวิมุตท่านกับจาคะ ข, ขันห้า พอจะฆ่าคันห้าทานคันห้าออกเท่านั้นและลมหายกายไม่มีคันห้าไม่มีได้เกตัววิมุตขึ้นมาพราะองค์ยังเห็นพระนิพพา น, านเห็นแต่กิจเป็นธรรมชาติว่างผ่องใสสว่างสวัยหมดนี่ คือเจตัววิมุตต์จิตหลุดพ้นจากขันห้าท่านจึงทานขันห้าออกจาคะขันหน้าออกจากจิตจากใจได้จิตใจก็ามาออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียว ร, รู้อยู่เฉยๆอุเบคาเอกคัดตาลมจึงเห็นอารมณ์พระนิพานได้เป็นพระหันดับขันห้าได้ ได้ชั่วสมาธิขมไว้เรียกว่าวิกขำพนวิมุตตินะเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากคันห้าชั่วคู่ชั่วข่าวออกมาจิตก็มาตัวกิเลศก็มาถือเอาคันห้าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเอกเวลานั่งสมาธิ บาลมีเกิดมันจะจาฆ่าขันห้าสละขันห้าออกได้ตัวตนสัตว์บุคคลก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติเป็นธาตุรู้อยูนะ่เมื่อออกจากสมาธิล้วก็เอาปัญญาเอาปัญญาที่เราเห็นในสมาธินั่นแหละมาค่ายกิเลส ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเราเห็นแล้วเป็นสักขีพยานแก่เจ้าของสักขีพูโตเป็นสักขีพยานเกิดขึ้นที่จิตที่ใจแล้วไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลขันห้าไม่มีมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวออกจากสมาธิมาท่านยึง่งได้ปัญญาวิมุตต์ขึ้นมา เมื่อกิจนุ่มควรควรแก่การใช้งานจึงน้อมจิตไปดูจิตแท้ใจเดิมของเราน้อมจิตไปดูจิตส่วนลึกซึ่งมันเก็บสัญญาอารมณ์ไว้หมื่นพบล้านชาติย้อนสติไปดู กาหนดสติย้อนหลังไปดูท่านยิงเรี่ยวบุเพนิวาสานุสติยานเกิดจุดตูปปาญานขึ้นมาอีกจุดตูปายานปปาตยานขึ้นมาอีกสุดท้ายท่านจึงได้อาสาวัคคายานขึ้นมานั่นละ เมื่อสลัดขันห้าออกจึงจะได้เจตวิมุตตออกจากสมาธิมาก็ได้ปัญญาวิมุตตเห็นว่าขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจก็สัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา เมื่อตาเห็นรูปกายกับใจทำงานอยู่ปฏิจจสมุปบาทเมื่อท่านได้ท่านยังเอากระแสปฏิจจสมุปบาทมาเดินจงกรมพิจารณาดูเนี่ยอ๋อมันเป็นคันห้าทำงานกันเฉย ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีมเวทนาก็เกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสุขาเวทนาทุกขเวทนาอุเบคาเวทนาก็เกิดขึ้นถ้าผัสสะเกิดเวทนาก็เกิด ท่านไล่กระแสอวิชาปัญญายสังขารกิดหลงสังขารรู้ไม่เท่าสังขารจึงไปถือวิญญาณไปเกิดวิญญาณก็ไปปฏิสนธิในนามลูกอืม ในดินน้ำลมไฟในท้องของแม่พ่อก็เอาถาดดินเข้าไปแม่ก็มีถาดน้ำรอองไว้ดินน้ำไปผสมกันวิญญาณก็ลงไปปฏิสนที่เพราะอวิชา ถ้าดับอวิชาอาวิชาตะเววะนั่นอวิชาดับสาหรอกไม่มีเหลือสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ดับหรือขั้นห้าก็ดับมันลงสังขารลงขั้นห้า หลงกายหลงใจว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาไม่มีอะไรดินน้าลมไฟก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นธรรมชาติวิญญาณที่มาศัยอยู่ในดินน้าลมไฟนี่ก็เป็นธรรมชาติลูกก็เป็นธรรมไม่ใช่น้ำ วิญญาณก็เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสรรนัตว์บุคคลอยู่ในนี้เออนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิออกมาก็ได้ปัญญาวิมุตตขึ้นมาตาเห็นลูกก็ไม่ใช่เราเห็นแล้วหูได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินคันหาอิงอาศัยกันเกิด อัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดท่านจึงมาสรุปเหตุ u, ปัจจัยโยนเหตุ ed, ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเฉยๆอารมณ์ก็จังเกิด อมมารมณ์นาน่คืออารมณ์อารมณ์เกิดจากขันห้าเกิดจากตด้เห็นลูกหูได้ยินเสียงเมื่อขันห้าไม่มีเมื่อจิตลูดเท่าเอาทันขันห้าอวิชาดับลงสังขารก็ดับ เมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับก็ไม่มีพูดจะไปยึดไปถือไปเกิดไปปฏิสนที่อีกรูปนามก็ดับ เมื่อรูปนามดับอายตนะก็ดับตาหูจมูกลิ้นมันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากกายนี่ถ้ารูปนามคือขันห้าดับอันนี้มันก็ไม่มีเท่านั้นถ้าอายตนะไม่มีภัตตามันจะมีไหมล่ะมันก็ไล่หายอยู่นี่แหลกะกระแสกิเลส กระแสสมุทัยกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงมันเป็นกระแสกระแสความคิดอวิชชาปัจจยสังขารกระแสอวิชชากระแสสมุทัยกระแสความคิดสังขารคือความคิดกิตหลงกิตรู้ไม่จริง ดับอวิชชาได้มันก็หมดมันก็มาหลงอยู่นี่แหละหลงขันห้านี่ลเลยเบื้องต้นก็หลงกลเบื้องปลายก็หลงใจเจ้าของหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ถ้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลขันห้าไม่มีเจ้าของมันเกิดมันดับ มันทำงานเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คืออริยสัจจริงทั้งเหลว่าทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้เพื่อจะละสมุทัยจะดับอวิชชาดับความโง่ความหลงไม่ให้จิตไปยึดไปถือ เอาสังขารเอาขัานห้าการภาวนามันก็มีเท่านี้เมื่อดับขันห้าได้เรียนจบวิชาขัานห่าได้มันก็หมดเรื่องไม่มีอะไรจะพูดต่อไปอีกถ้าดับอวิชชาได้แล้วสังขารก็ดับลงวิญญาณก็ดับนามลูกก็ดับอายตนะก็ไม่มี พัฒนะก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีมั น, นก็หมดทนะันตัณหาก็ไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพชาติก็ไม่มีชรลามรณะก็ไม่มีหมดไปเลยให้พากันมาศึกษา ศึกษาก็คือปฏิบัตินั่นแหละมานั่งอยู่นี่นะ่ะศึกษานั่นนี่ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือในเบียบศึกษามีแต่คนพันเขาไปหาอ่านคนพันคนโง่ไปอ่านเอาสัญญามาหนักสมองเจ้าของไปเรียนหากิเลสคนพัน เรียนหายกิเลสมาใส่เจ้าของนักปราบบัณฑิตเรียนละกิเลสเรียนไปหาอันนั้นอันนี้มาใส่เจ้าของคนผ่านมาแบกเอาปริญญาที่ปริญญาโทรปริญญาเอกมาแบกเอา สมมตแบกเอาของไม่มีเหมือนกับไก่แบกงวนนักปราชญ์บัณฑิตเรียนละเรียนละเรียนวางไม่เอานี่แหละเรามาปฏิบัติศึกษาแปลว่าปฏิบัตินั่งอยู่นี่แหละเรียกว่าศึกษาศึกษาแปลว่าปฏิบัติ คนควา้าคนคว้าดูกายอย่าของดูขั้นห้านี่ปฏิบัติกายกับใจนี่นั่งอยู่นี่ทำกายให้ตั้งมัน่นอุทชงกายยังทำจิตให้ตั้งมัน่นการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้ข้ากิีเลส ห้าลบ ก, กัมมันสู้กัมมันนี่แหละคือการปฏิบัติกิเลสมันขันธมันความปวดแข่งปวดขาเนะ่นะเอาอะไรมาสู้มันก็เอาขันติมาลบ ก, กับมันปวดนั่งทับคอมันอยู่ สองคืนสามคืนไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไม่ทําอะไรอีกมานมันก็แตกกระจุยไปเท่านั้นเองเมื่อมานสู้เราไม่ได้มานก็แตกกระจุยนี้เราก็เอาชนะมานได้ เอาชนะกิเลสเอาชนะมานได้ก็ผ่านเข้าไปถึงพระนิพพานไปเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเนะี่ยเรียกว่ามาโนนะเคยเห็นบ่มโนลานี่แหละนางมาโนนางมาโนลานะี่ เราก็คือสีทนตามหานางมโนลาอยู่นี่นะมโนก็คือใจหนึ่งนะจิตแท้ใจเดิมหนึ่งนะท่านเรียกว่ามโนลาอ้าววันนี้ก็สมควรแก่เวลาได้หกโมงสิบนาทีเห็นไหมล่ะเห็นนางมโนลาไหมล่ะเฮ้อ สีทนสีทนทั้งหลายตามหามโนราไ้ก็มันสู้รบกับเราอยู่ในเลือพวกมนันสีทนเราสิตายแล้วน้าหาจะตายท่านเขียนเป็นนิยายอิงธรรมะสีทนมโนราที่จริงก็ใจเราภาวนา นั่นแหละความจริงเราจะทำให้หาให้เห็นจิตแท้ใจเดิมของเรานั่นแหละเรียกว่ามโนมนินทรสีมโนคือจิตแท้ใจเดิมของเราท่านก็เลยเขียนเป็นนิยายอิงธรรมะอา้าว เป็นยังไงสงบบ้างไหมละ่ะเฮเห็นต้นลมปลายลมไหมละ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยปล่อยจิตหมดฮถ้าไม่เห็นต้นลมปลายลมก็ซึมนะง่วงใครก็เป็นหมดกันแล้วถ้าเราตั้งสติเห็นต้นลมเห็นปลายลม เห็นเกิดเห็นดับชัดๆจิตจึงจะไม่ง่วงไม่ซึมเห็นไหมล่ะฮะเห็นมันเกิดมันตายไหมล่ะถ้าเห็นเกิดเห็นตายใช่ได้นะดวงตาทํามาอยู่นานไปเห็นว่ามันเกิดมันตายคื อ, อยังไง จึงมาเห็นว่าโอ้มันเกิดอย่างนี้ขั้นห้าวิญญาณมันวิ่งเข้าไปเ็าเรียกว่าเราเกิดวิญญาณวิ่งออกมาพ่นไปจมูกก็เรียกว่า เ, า เ, ญญาออาเร า, เาตายจึงไปนึกถึงคำที่พระพระ อ, องค์ถามพระ อ, อนุนเคยได้ยินไหมแล้วอ่านเจอไหม อ, อนุน์ เธอเห็นความเกิดความตายของเธอวันละกี่ครั้งใช่ไหมพระอานุนว่ายังไงเอออนุนว่ายังไงเห็นเกิดเห็นตาหลายครั้งอยู่เขเจ้าฆ่ามัาง้งพระ อ, องค์ว่ายังไงตวาดมาแน่ตั้งอยู่ในความประมาณแล้วเนี่ยเออให้เห็นทุกขมให้ใจ เข้าออกสิอานนท์เธอจึงจะไม่ตั้งความอยู่ในความประมาทใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะอานนท์เนี่ยฮะไม่เห็นเลยฮะเห็นเกิดเห็นตายไหมล่ะนั่งอยู่นี่ก็เห็นเกิดเห็นตายนะไม่ให้หายใจทิ้งเหมือนเดิมได้ไหมแต่กวนหายใจทิ้งเปล่าๆไม่รู้ว่าจากของเกิดจากของตายจึงไม่ ปงสลดสังเวชสักทีถ้าเห็นเกิดเห็นตายอย่างนี้ก็ปงแล้วปงตกแล้วปงไปปงว่ายังไงฮะโปงว่ายังไงไโอ้นั่นแหละโปองอนิจจังเลยโอ้มันเป็นอนิจจังอยู่อย่างนี้นะใช่ไหมล่ะ เราจึงจะไม่เวลาเราจะตายก็ไม่มีใครตายคันห้าก็ไม่มีตัวตนอะไรเพียงแต่ธาตุมาประชุมกันอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวเฉยๆแล้วก็เสื่อมสลายมาลายศูย์ไปมีคนตายไหมฮะฮะเราตายไห ม, ไมไโอ้เนี่นเยเราก็ปวงอา น, นิจังได้ตอน ท่านจะเตืกขันจะดับท่านจึงไปสวดให้ฟังเนียพาสวดอยู่อนิจจาวาจะสังขาราเวลาคนใจไปชักผ้าบางสกุลอุปทามวยธรรมิโนอุปจิตวานิลุสันติเตสังวุปสโมสุขโขเนี่ อนิจจาวัจสังขาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยนั่งอยู่นี่เที่ยงไห ม, ไมอุปทาวยธรรมมิโนแปลว่า ย, ยังไงฮะมีความเกิดขึ้นเกิดไหมล่ะตายไหมล่ะออ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิลุสันติแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมที่ไหนไม่ได้แปลอยู่ที่อื่นนะแปลอยู่ลมหายใจในี่เองอุปชิตวานิลุสันติเตสังวูปัสุโมสุขโขเมื่อผู้ใดมารู้เท่าลมหายใจ เข้าออกว่ามันมีตัวตนสัตว์ทุคนอะไรเป็นเพียงรูปกำน้ำอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับผู้นั่นก็มาละ ง, งับดับสังขารได้เตสังแปลว่าตัดหรือแปลว่าดับเตสังวูปสโมสุขโขผู้ใดมาละ ง, งับดับสังขารได้ สุโคคือสุขอย่างยิ่งดับลมให้ใจได้ง่ายๆนี่แหละเข้าสู่พระนิพพานเห็นพระนิพพานไหมล่ะโยมสมฮะเห็นไหมล่ะโยมสมฮ ะ, หะเห็นไหมก็ <S 2> <S 2> <S ดับขันห้าได้ก็ดับลมให้ใจได้นี่แลหละฮะเตสังวูปัตสมโมสุโคไหม ใช่ไหมแมวดับได้หรือยังไม่เห็นไม่เห็นเกิดเห็นดับเลยลูกเอ้ยอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่รู้ไม่มีสติปัญญาฮะโอ้เล่น่งเก่งกันถ้าอยู่อีกสองสาวันนี่เอดับขันห้าได้เลยนะ <laughs> ดับลมหายใจได้ก็ได้เจโตวิมุดนั่นแหละคือดับขั้นห้าได้พูดไกลไปไกลเพราะว่าเราดับลมหายใจลงได้เราก็เห็นอารมณ์วมมุดติสุขขึ้นมานั่นแหละเตสังโอปั ส, สโมสุโ ข, ขเมื่อผู้ใดมาละงับดับสังขารได้สังขารก็คือลมหายใจ กายกับใจลมกลับกจิตเขาเรียกว่าสัางขารมาปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่าขันห้าผู้ใดมาระงับดับขันห้าได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขยังหรือยังอะโยมน้อยฮะฮะเห็นเกิดเห็นดับดับมันให้มันได้ดับด้วยอะไรฮะ ดับด้วยวิธีไหนดับด้วยอนิจจานุปสัสสีเข้าใจไหมล่ะท่องเอาอนิจจานุปสัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนั่นดับเพราะเบื่อหน่าย ไม่เที่ยงเบื่อไนมันมันไม่เที่ยงมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้จะตลอดวันตลอดคืนจรงว่าอนิจจานุปัสสีเมื่อเบื่อไนก็คลายความยินดีก็เรียกว่าวิลาคานุปัสสีวิลากะแปลว่าคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีก็เกิดนิโรทานุปัสสีก็ดับได้เท่านั้น่ะถ้ายังยินดีอยู่จะดับไหมล่ะเฮ้อดับไม่ได้ เราองค์สอนเท่านี้ไม่ได้สอนที่อื่นปฏินิสขานุปศสีก็สลัดขึ้นสลัดทิ้งสู่ธาตุเดิมของมันสู่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสู่ธรรมชาติเราก็หลุดพ้นจากขันหะเตสังวุปสโมโสุขโขพอเข้าใจไหมล่ะสุโคไหมล่ะทีนี้นะ อ่สุโขก็คือพระนิพพานนั่นเองเห็นวิมุตติสุขใกล้จะเห็นพระนิพพานแล้วพูดไปพูดมาใกล้จะเห็นสุโคแล้วใครสงสัยอะไรไหมล่ะอยากถามไหมวันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายที่มาพูดให้เราท่านทั้งหลายฟังส3งสามวัน พอจะได้อะไรบ้างไหมล่ะได้ความรู้เพิ่มพัฒนาจิตขึ้นภาวนาแปลว่าพัฒนานะวิปัสสนาภาวนาศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เาปฏิบัติใจนี่แหละธรรมชาติคือใจกายกับใจปฏิบัติกายกับใจปฏิบัติใจทรมคือใจที่ เขียนไว้โลกบังธรรมนะก็คือลูกน้ําขั้นห้านี่แหละคือโลกมันบังธรรมเอาไว้ลูกเสียงกลิ่นรสนี่คือโลกมันมาบางังธรรมธรรมคืออะไรฮะฮะธรรมก็คือธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่คือพระนิพพานได้ไหม เคยจิตแท้ใจเดิมได้ไหมใช่นี่แหละมันมาบางังจิตแท้ใจเดิมของเราเอาไว้โลกบังธรรมธรรมก็คือธรรมชาติคือจิตแท้ใจเดิมอารมณ์เกิดจากรูปแสงกินรสใช่ไหมอารมณ์ก็มาบางังจิตจิตแท้ใจเดิมก็คือธรรมชาติคือเก่าใช่ไหมจิต ก, กับธรรมเป็นอันเดียวกันไหมสมมติบงังวิมุต นี่แล้วขันห้าเนี่ยก็คือสมมุติรูปเสียงกินลดก็สมมุติตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสมมติรูปกบนามก็คือสมมติมันมาบังวิมุติอยู่ถ้าดับสมมุติออกได้วิมุติก็ไม่มีขันห้าก็ไม่มีก็มีแต่วิมุติวิมุติคือหลุดพ้นจากขันห้า ก็คือกิดแท้ใจเดิ ม, อ, มอันเดียวสมุติวิมุติก็คือกิดแท้ใจเดิมคือธรรมชาติอันนั้นนะสมมุติขันห้าก็นั่งอยู่นี่แหละขันห้ารูปนามขันห้านถ้าดับขันห้าได้อ่า ก็เห็นพันิพาณพราะขันห้ามันตายเห็นรูปขันห้าก็เกิดหูได้ยินเสียงขันห้าก็เกิดลมหายใจเข้าหายใจออกขันห้าก็เกิดกระดับอยู่ท่านลู่เท่าเอาทันขันห้าดับขันห้าได้ดับวัฏสงสารขันห้าวันหนึ่งวันหนึ่งตาเห็นรูปขันห้าก็ทํางานเขาเรียกว่าขันห้าเกิด จิตของเราก็เป็นพยาจิตลราัตตาหูจมูกลิ้นก็เป็นเสนาของพยามานใช่ไหมยเ <laughs> นี่ยมันทำงานร่วมกันอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมหลังนะอัญหามันเกิดกับดับพร้อมกัน เป็นวัดจัสงสารหมุนอยู่ตลอดวันพระหลวงปู่มัน่นจึงเขียนไว้ไม่ชะงกหกงานี่นั่งชะงกอยู่นี่เอาว่ายังไงเราจะออกไปเฮ้ยเออ <c oughs> เอาเอาดีแล้วดีแล้วลูกเอ้ยดีแล้วดีแล้ว ไม่จะงกไปไม่จะง ก, กหกงาเออเออเออกับป้อมกาคือกิเลสไหลเข้ามาทางตาหูออนั่นแหะกับป้อมน้อยกิเลสตัวน้อยๆก็ไหลมานี่ขึ้นวันละร้อยกับปร้อมน้อยขึ้นวันละพันตัวตายังไม่เห็นรูปหูได้ยินเสียงเหลืออยู่ เป็นหมื่นใช่ไหมตัวยังมาไม่ทันแล้วอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนนี่หละไม่ชะงก์นี่หล่ะก็คือขั้นห้านั่นเองเข้าใจไหมล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารูปภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระธรรมลมก็คือรูปภายนอกมันก็นทบกันวันหนึ่งวันหนึ่งขั้นห้าเกิดพบกี่พบ ะนับได้ไหมไม่ได้ อ, อนเอกอนกอนันพบเมื่อเรามารู้เท่าทันแล้วก็ดับพบได้ทิ้งพบไปกับอะไรฮะไปกับอะไรธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรต้องรู้ไปนะพวกนี้แหละมันที่ลูกตาเก่งอยู่นี่ก็เพราะถามเนื่ยของอย่างนี้ธรรมชาติคืออะไร ฮะธรรมชาติกับธรรมดาเดียวกันไหมอันเดียวกันอือธรรมชาติกับอนิจจังทุกขังงนาตานเดียวกันไหมก็ทิ้งพบไปกับนี่แหละไปกับธรรมชาตินี่แหละไปกับขันหานี่แหละขันหามันเกิดมันดับเป็นอนิจจังก็ทิ้งพบไปกับขันห่าเมื่อพบไม่มีชาติชลามรณะไม่มีก็เรียกว่าพระนิพพาน ขันห้ามันบังพระนิพพานอยู่อย่างนี้ดับขันห้าได้มันเกิดวันไรกี่ครัง้งหมื่นครัง้งแสนครัง้งมีเจ้าของไห ม, ไ ม, มไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ปไปยึดไปถือเอาเป็นทุกไหมล่ะใช่ไหไตาเห็นรูปหมื่นครัง้งไม่ใช่เราเห็นจะเกิดทุกไหมฮะไม่ยินดีไม่ยินไล่นั่นแหลนะเนี่ย พบเกิดไหมไม่เกิดอานั่นนะมันก็ดับคันหาได้จะไม่ไเป็นจะไม่ได้เข้าพนัาพนธิพันธ์สมบออะเอาละพ้าเลิกทีนี้น ขมามิตุมเหหิปิเมขมิตรบงังกรรมหน้าเกียดอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อข้าพระเจ้าด้วยกายก็ดีวายจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าหรือรับหลังก็ดีจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีขออภัยให้ทุกประการต่อนี้ไป ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกประการเทิญอิชิตตังปะจิตังตุมหังชิปะเมวัสมิชชัตูสัเบปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามนิโชติลโสยถา สพิทโยวิวัชชนตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิ ว, วาธนสีริสานิจังวุธาปชาิโนจัตตาโลธร ม, มาวัตตันติอายุวนโนสุขังภาลังภวตุสัพพังคลังละขันตุสัพเทวตา สัพพทุขสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะสัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตอแล้วแล้วเสร็จแล้วทีนี้พันนั้นจังค่อยคักใจที <laughs> สินเลว่าลากโดยสิน ตั้งสัจจาก็ลดลงมาอยู่าสิ้นห้าสาธุสาธุขอให้ปรตถนาสินใดขอให้ได้รับความสำเร็จสำเร็จสำเร็จจงทุกประการเถิด